ทำไรโยเห็นไหมว่าห้ามมันไม่ได้นี่ดูลงไปเลยห้ามไม่ได้งั้นไม่ต้องไปพยายามห้ามมันเหมือนเป็นไงรู้ว่าเป็นงั้นะซื่อง่ายจะตายนะอ่ะสมโพงว่าไงสมพงเป็นไงทำไมบอกไม่ถูกเหนือสมมติบัญญัติ จิตมันฟุ้งทำสมถะบางสร์ารมีทำแบเดียวมันก็ออก้ท่มมาแล้วก็มมไปเป็นมหาบัวใสเล้าท่านก็ไปเป็นช่วงหนึ่งเนี่ยมันเดินปัญญาตลอดเวลามันไม่ยอมหยุดหพพุโธเร็วๆไว้พุทโธพุทโธพุทโธนะแกมันฟุ้งไปมันฟุ้งมันจะหนีคิดในๆมันจะหนีคิดนะามันคิดพุทโธ พูดโทรเร็วๆไว้ถาใ จ, จเราตั้งมั่นขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆดูมันจะค่อยๆไหลามาเนิบๆแต่ถ้าจิตเราฟุ้งเนี่ยมันจะมาเร็วมากเลยมารอบทิศทางดูไม่ทันไงต้องดูอยู่เชิงเขาหรือดูเป็นยอดเขาเอะไรตรงเนี้ยตรงเอะไรไม่รู้ครับ มันเกาะอยู่มันนี่ไม่เกาะแล้วมันเกาะเต็มๆ เ, เลยไม่เห็นนะฮะเขาเหมันณีมเกาะอะไรมไม่รู้ม่<อ>มันประคองความรู้สึกอยู่รู้สึกเปล่าตนนี้เลิแล้ว<ๆ>ัแม่นนก็เลิกซะมันไม่ปล่อยมันไม่ยอมปล่อยตั้มบอกว่าตั้มปล่อยแต่จิตมันไม่ปล่อยมันก็เลยประคองมาอย่างนี้ทื่อ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 สิ่งไหลไปอยู่ในโมหะจูนนะรู้สึกว่ารู้สึกว่ามีความพยายามในการจะแก้ไขน้อยลงอะค่ะก็รู้ว่ามันมันก็มีทั้งหลายมีทั้งเสริมมีทั้งถูกคือที่ถูกมันมีน้อยเพราะอ่าถูกต้องนะที่ถูกนะแทบไม่มีเลยเอเห็นอย่างนี้นใช้ได้ละถ้าเมื่อไหรรู้สึกว่าถูกทั้งวันนะอาการหนักแล้ว แต่ไม่ใช้ปล่อยตาม ย, ย, ามยถากรรมก็ตามรู้ตามดูเออรู้ว่าเ็าเป็นถ้าเมื่อไรอย่างโซ่นบางคนความโกรธเกิดขึ้นนะแต่เดิมพอความโกรธเกิดขึ้นก็หาทางจัดการนะแล้วอย่างนี้ก็ได้แต่เป็นคนดีบรรูุอะไรไม่ได้หรอกนี่อีกคนหนึ่งพอเห็นความโกรธเกิดขึ้นเห็นชัดๆเลยี่มันไม่ใช่เราโกรธนะ จิตมันจะโกรธก็เรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเราเห็นอย่างนี้นะมันปล่อยมันสลัด ก, กระเด็นต่อหน้าต่อตาเลยนี่กว่ามันจะยอมเห็นนะยากที่กที่เห็นคือเห็นโกรธแล้วก็เห็นว่ากำลังจะเข้าไปจัดการความโกรธแล้วก็เห็นว่าตอนนี้มันร้เรื่องเอลยแล้วไม่โกรธแล้วมันเป็นยังไงนะคนะก็ดูไปนะมีแต่เกิดกิดดับดูไปเรอถึงวันหนึ่งจะเห็นว่าไม่มีเรา ไอ้ที่โกรธ น, นะจิตมันโกรธไม่ใช่เราโกรธไอ้ที่เดินเนี้ยกายมันเดินรูปมันเดินไม่ใช่เราเดินจะเห็นเองนีนะ่เห็นด้วยความรู้สึกถ้ารู้สึกอย่างนี้ใจจะปล่อยปล่อยจงาจะโล่งข้นเลก็รู้สึกค่ว่าทำย่เฉยๆนิ่งๆมันกแทกกระเด็นอยู่ข้างในบเลยเออ้เห็นแต่เรู้สึกเห็นว่าเร่ราไอ้ที่มันจะแทกเออดีละ ที่จริงมันกระแทกกระทันคือมันมีผัดสะตลอดเวลาไม่มีอะไรกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายนะสัญญาเาก็กระทบใจกระทบกระทบขึ้นมามันยังไม่ได้ปงเป็นเรื่องเพราะมันกระแทก น, นะอะ่นั่นแหล ะ, ะ, ะ, ะก็ไหวไห ว, ไวทางานไปดรืยหลวงพ่อเคยดูสมัยหนึ่งเคยตลุมบอลกับมันไหวไหวอย่างเนี้ยกระแทกกระแทกนะพิ้วพลิ้วพิ้วไว้ทีแรกดูก็สบายนะ นูไปนานหลายวันโอ้ยมันไม่เคยหยุดเลยทั้งวันทั้งคืนนะทุกทุกทุกทุกไม่รู้จะทำยังไงเลยไปถามครูบาอาจารย์ท่านก็บอกธรรมดาหนว พ, พ่อพุธก็นั่งเทศให้ชั่วโมงนะใจไม่ลงอะ่ะถามอาจารย์มหาบัวท่านก็บอกปฏิบัติในขั้นนี้ก็มีแต่ยิบยับยิบยับวันหนึ่งเหนื่อยสุดขีดเลยโอ้วันนี้ขอไม่ปฏิบัติสักวันเถอะ อันนี้ไม่ปฏิบัติจะค้อยๆเนี่ยขอทําสมถะแล้วมันมันไม่ยอมพอจะคิดเลิกปฏิบัติมันเลิกไม่ได้มันดูอัตโนมัติมันไม่ใช่เราจงใจดูเหมือนแต่ก่อนพอหัดไปมันมันมันไม่จงใจแล้วมันอัตโนมัติเห็นทั้งวันจนหมดปัญญาเลยไม่รู้จะทํำยังไงนะทําสมถะสมถะเอาไว้ใช้งานตอนนี้ หายใจเข้าหายใจออกนับหนึ่งหายใจเข้าหายใจออกนับสองอะไรเงี้ยไลย่ไล่ไล่ทาไมต้องช่วยมันนับกรรมฐานโซ่เส้นเดียวเนี่ยมัดไม่ไหวแล้วยังกะลิงต้องใช้โซ่หลายเส้นหน่อยหรือไม่กมัดให้ถีๆนะพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธนะไม่งั้นไม่ยอมไม่ยอมเลิกจ ะ, จะเจริญแต่ปัญญา คนอื่นไม่เกี่ยวนะเดี๋ยวจะไปวุ่นวายทำรรมฐาเสียหายหมดเวลาเรียนกรรมฐานพร้อมๆกันหลายคนมันยุ่งบอกคนนี้เดี๋ยวอีกคนจะเอาไปทานะเสียเลยคนอื่นไม่เกี่ยวนะเ น, น, นี่ยคลองฝึกจิตีเหมือนกั น, นะค ะ, นะนะแมันก็เห็นว่าฝึกจิตีมันก็ยงีไม่ทยาอนได้เออนานงะปนะีไม่พอองแวก็หายใจเข้าพูดหาใจออกโัวนับหนึ่งเนี่ยนับไปด้วยนะนับ นับไปเรื่อยๆนับไปถึงร้อยเลยตอนไปเรียนเนี่ยท่านพ่อรีท่านพ่อรีนับถึงสิบเองหนึ่งไปถึงสิบแล้วก็ลดลงมาหนึ 9, ่งถึงเก้าหนึ่งถึงแปดอะไรเงี้ยแล้วโอ้ถาระเยอะนับยาวๆไปเลยเป็นร้อยๆไปเลย <c oughs> พอจิตมันรวมลงไปแล้วอันนี้พอมันถอยขึ้นมากระทบความไหวเนี่ยกระทบก็เปียกขาดเลย เพรานั้นลังไม่พอครูบาอาจารย์วัดป่าท่านเทียบบอกเหมือนมีดทื่อมีมีดทื่อๆอยู่เล่มหนึ่งนะยังขยันฟันอยู่นั่นอ่ะแป็กแป็กแป็กนะฟนะ <c ười> ันตัวตัวเองน่วมไปเลยนะแต่ถ้าทําสมถะขึ้นมาเหมือนเราไปรับมีดบกคมฟันชับเดียวขาดเลยนะคนอื่นไม่เกี่ยวนะเนี่ย้องเรียนเด็นคนๆไปอ่ะว่างไงส่งกันบ้าน ไม่ตั้งใจเนี่ยมีโอกาสที่จะไปอบายตั้งใจไว้นะจะไม่บรรลุมรรคผลนะแต่ไปสุขติง่ายกว่างั้นไม่ใช่เราไม่ควบคุมจิตใจเลยนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่รู้มันแต่ถ้าอะไรเกิดแล้วตามรู้ตามเห็นอันนี้ดีที่สุดแต่ว่าถ้าปล่อยตามยถากรรมไม่ดีนะอย่างจะประกาศบอกว่าเอ้ยปล่อยมันดีกว่าต้องปล่อยเราต้องรู้ด้วยนะอย่างงั้นใช้ได้ แต่ถ้าปล่อยทิ้งนะไม่ดีนะอันตรายตอนนี้มันจะเป็นลักษณะแบบมันเป็นอย่างนี้แล้วมแยกคล้ายกับเรื่องนายละกันเออตามตามูเอออปนรายอะก็เรื่องของนายใช่ช่นะเรื่องของเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเรานะเดี๋ยวนี้เขาเรื่องของนายใช่ไมสมัยใหม่ถ้าสมัยโบราณเรื่องของมึงไม่ใช่เรื่องของกูเนะถ้าคนโบราณเดี๋ยวนี้เรื่องของนายไม่ใช่เรื่องของเราสุภาพหน่อย ดูไปอย่างเนี้แล้วง่ายอ่ะส่งกันบ้านไหมการปฏิบัติธรรมที่แท้จริงนะต้องปฏิบัติอยู่ในชีวิตประจำวันนะถ้าเรายังแยกส่วนว่าตอนนี้เป็นเวลาปฏิบัติตอนนี้เป็นเวลาใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยเราจแทรกทำไม่ได้อะอะย่างยังไม่เข้าใจการปฏิบัติมันต้องอยู่ในชีวิตจริงๆนะเช่นทํางาน ทำงานบ้านมันก็ทำงานบ้านอยู่โอ้แฟนเราชอบทำบ้านรกชักโมโหแล้วมโหหรู้ว่าโมโหอย่างเงี้ยฝึกอยู่ในชีวิตจริงๆเลี้ยงลูกลูกมันโซนโซนหงุดหงิดมันละรู้ว่างหงุดหงิดวันนี้ลูกว่าง่ายเรียกมากินข้าวก็ามาเรียกมาอาบน้ําก็มารู้สึกน่ารักน่าเดู ร, ร, รู้ทันงั้นการปฏิบัติจริงๆอยู่ในชีวิตจริงๆอย่าไปแยกส่วนการปฏิบัติกับการนารงชีวิตออกจากกันน้วจะง่ายเลย นีบางคนคิดว่าการปฏิบัติต้องไปทําที่วัดหรือไปเข้าคอร์สอย่างนั้นแย่เลยปีนีงมัจะไปเข้าคอร์สสักกี่ครั้งในเวลาที่เหลืออยู่กับโลกถ้าอยู่กับโลกเราทําไม่ได้นะก็คือทําไม่ได้นะั่นะแต่ถ้าอยู่กับโลกเราทําได้นะเข้าคอร์สหรือไม่เข้าคอร์สไม่ต่างอะไรกันเท่าไหร่รู้จักใจลอยไหมดีที่บ่อยอย่านาน ส่วนมากใจลอยไม่บ่อยอ่ะใจลอยไปละครั้งตั้งแต่ตื่นจนหลับทุกคนเลยนะหลงพไม่ได้แกล้งว่าใจลอยทุกคนหาคนที่รู้สึกตัวจริงๆหายากพระอริยะเลยขัดแคลนขาดตลาดเนาะ <c oughs> ไมก็ดีถ้าไม่ดูเล่นๆอย่าจริงจังนะอย่กเกรงอย่ากลัวโยาวยาวจริงอย่างเงี้ยเ้าไปด้วยใจลอยไปด้วยใช้ไม่ได้เคาไปด้วยห้ามใจลอยไม่ใช้ไม่ได้อีก แต่เคาะไปแล้วใจเป็นยังไง ร, รู้ว่าเป็นอย่างางั้นนี้ใช้ได้ไเจ้านิบมันเข็ะหัวตัวเองไม่เคาะนี่เข็ะหัวตัวเองนะ้ำป๊อกป๊อก๊อ ก, อกบอกทำอะไรทํากรรมฐานอย่าไปทําให้ใครเขาเห็นนะาศาสนาเสื่อมหมดมีใครเขาเอาด้วยหรอรู้จับใจลอยอยังของคุณเนี้ยเนี่ยหันไปดูเข้าลืมตัวเองรู้สึกไหมค่อยๆสังเกตตั้มแปล้งทาอยู่ จูนให้มันอย่าสลับลงไปถอยขึ้นรู้สึกตัวไหมงงรู้ว่างงไม่ต้องคิดมากรู้ไหมกาลังงงรู้เข้าไปตรงๆไหมหันไปดูเขาลืมตัวเองรู้สึกไหมเวลาเราไปดูเขาแล้วใจเราจะวิ่งไปวิ่งไปหาเขาลืมตัวเราเองไงั้นวันหนึ่งวันหนึ่งเราจะลืมตัวเองทั้งวันเลย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 นี่อาจารย์เรากลัวว่าเราจะไม่รู้อาการอาจารย์เลรให้บริกรรมซ้ำนะเช่นยกน้อย่างน้อเนี่ยเป็นการเตือนตัวเองให้รู้อาการเพราะฉะนั้นเตือนตัวเองให้รู้อาการถ้ามารู้อาการชำนิชำนาญแล้วก็ไม่ต้องไปเตือนมันมันรู้เองทันทีที่ขยับมันก็รู้แล้วอย่างนั้นใช้ได้ละนี่บางคนติดอุบายนะติดอุบายจนลืมหลักแทนที่จะให้ความสําคัญกับอาการที่ไหวของกายเนี่ยก็ไปให้ความสําคัญกับบริกรรม มัเป็นสมถะนั้นทําไปทําไปบางทีตัวลอยตัวเบาตัวหนักตัวเล็กตัวใหญ่ตัวโครงอะไรนี่นั้นนี่เรื่องของสมถะทั้งหมดเลยนี่ไปคิดแล้วทราบไหมฟังแล้วคิดตามรู้สึกไหมคิดเยอะกว่าฟังอีกรู้สึกไหมค่อยรู้อย่างนี้นะรู้ทันไปได้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 กายในกายก็คือกายที่จิตเราไปรู้ในขณะปัจจุบันนี้แหละแต่ละโมเมนต์อะ <c oughs> อะไรนะ <c oughs> เหมือนกันก็คือจิตในปัจจุบันนั่นเองดูลงปัจจุบันไปทีละอันทีละอันมันจะเหมือนว่าจิตนี้มีจํานวนมหาศาลเลยแต่เราดูจิตในจิตก็คือดูจิตที่ลงปัจจุบันนี้แหละนะเวลาดูกายในกา ย, กายก็คือดูกายที่ลงปัจจุบันนี้ ถ้าไม่ลงปัจจุบันก็ไม่เรียกว่ากายในกายเอาเป็นกายอดีตกายอนานะคตอะไรนู้นไปะรู้ลงปัจจุบันเรื่อยๆไปยังมีภายในภายนอกอีกนะ <c oughs> นะมีกายในกายภายในภายนอกภายในภายนอกก็สําคัญนะแต่ไม่ใช่ตอนหักเริ่มต้น่ะไม่ใช่ไปดูภายนอกให้ดูภายในไวนะ้ให้ดูสิ่งที่เรียกว่าตัวเราตัวเราไว้ดูกายเนี้ไม่ใช่ดูกายคนอื่น ปัจจุบันนะคำว่าพิจารณาไม่ใช่แปลว่าคิดเราชอบไปเอาคําว่าพิจารณามาแปลว่าคิดพิจารณาตัวนี้คือวิจารณใจนะเขาเคลียร์อยู่กับอารมณ์นี้โดยไม่ได้บังคับเรียกว่าวิจารณ์เรียกว่าพิจ า, าพจารณานะใจเ้าอยู่กับการรู้กายโดยไม่ได้เจตนาจะรู้เลยมันรู้เองเนี่ยอย่างนี้ใช้ได้ละค่อยตามรู้ไปตามรู้เนื่องเนืองอตัวนี้กระดูกกดิกนะมีคนหนึ่งเป็นคนรู้อยู่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 เพ่งวัตถุแล้วตอนนี้นนกายานุปัสสนาคําว่ากายไม่ใช่ตัวมือตัวเท้าตัวท้องตัวแขนตัวขาอะไรอย่างนั้นนะคําว่ากายหมายถึงที่ประชุมอันเนี้ยคือที่ประชุมที่ประชุมของอะไรของรูปของนามของขันท่าประชุมกันอยู่ที่นี่นั้นให้คอยรู้ไอ้ที่ประชุมอันนี้ตัวกายนี่นมือนห้องประชุมนั่นใจก็อาศัยอยู่ในนี้เห็นไหม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 มีความทุกข์ดีบคั้นอยู่เป็นนิดเนี่ยไม่ว่าเห็นตามความเป็นจริงอย่างรู้กายบอกกายนั่งอยู่รู้ชัดว่านั่งอยู่รู้ชัดไม่ได้แปลว่ารู้ชัดชัดนะรู้ชัดหมายถึงรู้ตรงตามความเป็นจริงไว้ที่นั่งอยู่เนี่ยไม่ใช่ตัวเราหรอกเนี่ยคาแต่ละคําในสติปัฏฐานเนี่ยนะมันเป็นเทคนิคองเทอมันไม่ใช่ภาษาไทยันเราต้องค่อยฟังคอยเรียนไปบางคนโมเมเอธิบายสติปัฏฐาน อธิบายไปมาเป็นสมถะไปหมดหากคนอื่นเข้าโลกเข้าคงการรู้กายอย่างกายที่บอกว่าไม่ใช่ตัวเราเนี่ยมันเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติหลังจากฝึกปฏิบัติหรือว่าอไรนะต้องฝึกกายเนี่ยกว่าจะเห็นว่ากายไม่ใช่เรากว่าจะเห็นว่าเวทนาไม่ใช่เราจิตต้องตั้งมั่นนะเพราะฉะนั้นการรู้กายและเวทนาเนี่ยก่อนจะรู้กายและเวทนาต้องทําสมถะก่อน ทำสมาธิไปเช่นเราหายใจเข้าหายใจออกเราก็รู้ไปเห็นใจนี้เป็นคนดูลมหายใจเป็นของถูกดูหายใจแต่อย่างนี้เรื่อยๆต่อมาพอเรามารู้ร่างกายเราเห็นอะไรร่างกายเป็นของถูกดูจิตเป็นคนดูหัดแยกรูปแยกนาหรือเราหัดดูไปนะหายใจเข้าหายใจออกหรือพุทโธพุทโธนี่พุทโธเป็นของถูกรู้ ใ, ใ, ใจเป็นคนรู้ต okay. ่อมาพอเรามารู like. ้เวทนาเรานั่งนั่งให้สบาย นะเวทนาก็คือความสุขความสบายทางกายจะนั่งไปนานๆเราไม่กายก็ยังอยู่ที่เดิมนะแต่เวทนาที่เป็นสุขหายไปลนะกายเป็นเวทนาที่เป็นทุกข์เกิดขึ้นแผลเราจะเห็นเลยว่ากายนี้ก็ถูกรู้เวทนานี้ก็เป็นของถูกรู้ใจเป็นคนรู้อยู่ต่างหากกายกระใจกับเวทนาก็แยกออกจากกันเพราะฉนั้นะดูกายและเวทนาต้องมีจิตที่ตั้งมั่น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 อย่างนั้นไม่ใช่ตามรู้ความคิดอย่างนั้นตามรู้ความรู้สึกใช้ได้เนชะ่นกำลังโกรธขึ้นมารู้ว่าโกรธเห็นเลยความโกรธเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามานะผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนใจเป็นแค่คนรู้คนดูอย่างนี้ใช้ได้แต่ถ้าไปคิดคิดเรื่องนี้คิดเรื่องเนี่ยคนนี้มันว่าเราอย่างนี้อย่างนี้อย่างี้รู้เรื่องที่คิดอย่างนี้นะไม่ใช่สติปัฏฐานแล้วไม่ใช่วิปัสนาแล้ว เพราะว่าความคิดเรื่องราวที่คิดเป็นสมมุติบัญญตัติมีปัสจณาต้องรู้รูปรู้นามรู้กายรู้ใจอย่างเช่นใจมันคิดสมมุติว่าหนุ่มๆอย่างเงี้ยไปคิดเรื่องสาวนะรู้ว่ามันไปคิดเรื่องสาวเนี่ยไม่มีอะไรขึ้นมาก็คิดต่อไปอีกแต่ถ้ารู้ว่าใจแอบไปคิดรู้ว่าจิตแอบไปคิดอันนี้รู้สภาวะความคิดจะดับทันทีค่อยๆเรียนนะยากแต่ถ้าอยากเปลี่ยนให้ง่ายๆก็ง่าย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 ถ้าเราจะดูจิตที่มีโลภะโทสะโมหะฟุ้งซ่านผดผู๋อะไรพวกนี้มันฟุ้งซ่านเรารู้ว่าฟุ้งซ่านเนี่ยแต่ถ้าเราทําสมาธิก่อ น, นมันจะไม่มีจิตที่ฟุ้งซ่านได้หนูหรอกมันจะไม่มีจิตที่มีกิเลสมันจะมีแต่จิตนิ่งๆดูอะไรก็ไม่ได้นะไม่มีอะไรให้ดูเพราะงั้นการดูจิตก็เลยดูไปเลยไม่ต้องตั้งท่าไม่ต้องทําอะไรทั้งสิ้นใครเขาด่าแล้วโมโหขึ้นมารู้ว่าโมโหเลย ไม่ใช่พับข้อโมโหขึ้นมาพุทโธพุทโธให้หายโมโหก่อนแล้วจะมาดูว่าโมโหเป็นยังไงมันไม่มีโมโหให้ดูงั้นพวกคิดมากพวกชาวบ้านชาวเมืองพวกทิฏฐิจริริพวกคิดมากพวกปัญญาชนทั้งหลายอย่างพวกเราส่วนใหญ่เนี่ยต้องดูจิตเอาทําสมาธไม่ค่อยไหวหรอกมาทําสมาธไม่ได้ดูกายไม่ค่อยรอดครูบาอาจารย์วัดป่าดูกายเก่ง้าทําสมาธกัน พวกเราไม่ได้ทําสมถะอยู่ๆก็จะไปดูเลยยกเท้ายา่างเท้านั้นไปเพ่งอย่างหมดเลยแกไปไปเพ่งเท้าก็คือไปทำสมถะนั่นแหละแต่ไม่รู้ว่าทําสมถะที่ว่าทํำมิปัสนานหรือรู้อีริยาบดสื่ยืนเดินนั่งนอ น, น, นก็กลายเป็นเพ่งอีริยาบดไปหมดรู้ลมหายใจก็ไปเพ่งลมหายใจมันไม่ค่อยยอมรู้ให้เป็นมิปัสน า, าใครฟังไม่รู้เรื่องก็ไม่ต้องกลุ้มใจนะกลุ้มใจก็รู้ว่ากลุ้มใจอ่ะ เวลาพัก